นี่คัดสมาธิเพชรสองฉั้นเป็นไหมขาซ้ายขาซ้ายขึ้นก่อนขาซ้ายขึ้นก่อนครขาข้อทับนี่ขาซ้ายขึ้นก่อนขาข้อขึ้ น, น, วขวขขนไม่เอาขาวขว้อขึ้นด้านบนเอาขาวขว้อ ข, ขึ้นข้างในขาซ้ายก่อนเอาขาวขว้อ สาทรายขึ้นก่อนทรายขึ้นก่อนขาขวาขาขวาเอาข้อนออกออกออกยกขึ้นข้างนอกยกขึ้นข้างนอกเลยยกขึ้นข้างนอกเลยขาขวายกขึ้นข้างนอกเลยเออนั่นแหละนี่ตัวนี้จะทรมานทรมานเนี่คือสมมุติว่าเราเราอยากรู้ว่าอารมณ์เวทนาเป็นยังไงมันจะรู้เร็ว นี่อดทนเวทนาตัวนี้ให้ได้ถ้าไม่ผ่านเวทนาตัวนี้เข้าไม่ถึงกดทนสมัยปี40เนี่ยพอเรานั่งไปก็แรกเป็นกลวยไตยอักเสบกลวยไตยอักเสบคราวนี้ก็ขึ้นไปนั่งอยู่บนกุฏิสั้นที่สองพรามันไปถึงที่นอนมันบอกว่ามาทำไม จะมานอนตายหรือมันว่าเพราะว่ากล่วยตายอยากเสพทายเบาเออกเป็นเลือดเลยก็ mm hmm. ได้ถามมันว่าถ้าเราจะมานอนตายนี่ก็เหมือนเหมือนคนทั่วไปถ้างั้นนั่งสัคสมาธิตายเป็นยังไงส่วนมากคนส่วนน้อยนี่จะนั่งสมาธิตายน้อยที่สุดจะนั่งถ้าตายนี่น้อยที่สุด เอาต้านั้นขัดสมาธิเพชรก็เลยมึงแล้วก็นั่งขัดสมาธิเพชรพอไม่สักพักนี่เวทนามันก็วิ่งมาเลยแล้วก็ดูตามเวทนาตัวนี้นหะพอมาเคืองเขา่ามันจะกลับออกมาอีกทีหนึ่งสักพักมันก็ขึ้นมาใหมา่จากฝ่าเท้ามันก็เบิงวิ่งมาถึงเขาก็วิ่งมาถึงบั้นเอวหยุดสักพักมันก็ถอยกลับมาอีก มันวิ่งมารอบสามขึ้นมาถึงเขา่าถึงวันเอวถึงต้นคอมันก็กลับไปใหม่อีกแล้วก็ดูตัวนี้พอถัดจากนั้นมาเขาขึ้นมาใหม่อีกทีกหนึ่งรอบที่สีวิ่งขึ้นถึงศีรษาแล้วก็จับศทิศาเราหมุนหมุนอย่างเร็วน่ะพอจิตมันเริ่มละเอียดก็หมุนช้าลงช้าลงช้าลงช้าลงเมื่อกดว่ามันหายแว บ, บไปเฉยมันเบากายเขานี่เบากายเบ า, ก, า, เบากิจ โอวเราก็ได้ยินแต่เสียงหัวใจเราเต้นเราก็เพ่งไปดูในใจไม่สักพักหนึ่งเจ้าแม่คนดีมก็มายืนปรากฏอยู่ตรงหน้ากับหลวงพ่ออมใจวัดเขาสุกกิมที่จันทบุรีพอถัดจากนั้นมาโอ้เราก็ฟังเสียงว่าท่านจะพูดอะไรท่านมายืนชี้หน้าด่าเลยท่านบอกว่าหลวงพ่ออมใจพระองค์นี้เราตามหามาตั้งนานแล้วข้างในเน่าหมดแล้ว ถ้าเราไม่เอาจิตไปรักษาไม่หายแน่นอนนะหลวงพ่ออภิชาติานก็เลยว่าทา ง, งันก็รีบนั่งนี่วะหลวงพ่ออภิชาติเองนั่งกสมาทิเพชรท่านนี่นะเจ้าแม่กวนิบก็นั่งกัศมาทิเพชทอยู่ด้านซ้ายหลวงพ่ออภิชาตก็ด้านนี้พอถัดจากนั้นมาดูแก้วขันของหลวงพ่ออภิชาตขนาดนี้คือดวงจิต่ะ ใสก็ดูดดอกจากหน้าอกมาเวียงมาของแก้วเมียกาดิมก็ลอยออกมาก็ลูกเกีียวสองดวงเนียนหมุนเป็นเกี่ยวเดียวอันก็พุ่งเข้ามาว่าจะเอากิตดมารักษาพอมันทะลุเข้าไปปุ๊บมันก็ลอยขึ้นข้างบนลอยถึงขงล่างตามร่างกายล้วทุกส่วนพอถัดจากนั้นมาสักพัก โอเราก็ฟังเสียงว่าท่านจะพูดทอะไรท่านบอกว่าหลวงพ่ออมใจเรารักษาหายเป็นปกติแล้วเรียกกินเรากลับถอือดวงพอจัดจากนั้นมากินมันได้กินก็พุ่งพูดเราไปได้สามดวงของหลวงปู่ก็ไปของหุ่งพรออมใจของเจ้าแม่คนนิบเพราะว่ามันหมุนเกี่ยวเป็นดวงเดียวกันหมุนเกี่ยวกันท่านท่านมองเห็นนี่น เจาแม่กดนิมท่านก็เดอยวหลวงพ่ออชายสั่งกิจท่านกลับที่เดิมที่ให้กิจท่านตามลงมาทําไมเพราะกิตมาได้กินหมุนเกียวของพุ่งกลับกลับมาของหลวงพ่ออุตยก็หมุนเกียวออก ก, อออ ก, ก, ออก็พุ่งกลับไปของเจ้าแม่กวนอิมก็พุ่งเข้าล่างกายของท่านท่านก็บ่นว่าเรารักษาหายเป็นปกติแล้วกับเถอะเรามหมดหน้าที่เราแล้ ว, ลวพอท่านลุกขึ้นฝ่าเท้าไม่ถึงไม่ไม่ถึงดินห่างสักขืบเนี่ยก็ลอยหายแวบนะ มันจะกริงไหมคำว่าธรรมโอษุดรักษาก็อถอนกิ่ดกมาดูก็ไปเดินจุกงร่างกายนี่มันเบามันมันเหมือนไม่มอนไม่เราเป็นอะไรมันไม่เราเป็นกลัวตายอยากเสียบมันให้เราเหมือนเราไม่เป็นไข้ พอถัดจากนั้นมาลงมาเข้าห้องน้ํากลับขึ้นไปก็เดินจมกม้มหรือนั้นเตือนเช้ามาเนี่ยไปฉันยาได้สองสาวันมันก็หายนี่ก็บอกว่าธรรมเมาส่รักษาขอให้เราทนเนี่ยเวทนานุปั จ, จนามันเป็นวิปัสนาไปในตัวอยู่แล้วถ้าเรามีก็อดทนนะแต่ถ้าเราไม่มองเนี่ยถ้าเราไม่ให้มันข้ามข้ามขั้นข้ามตอนตัวนี้มันจะไม่พ้น มันจะไม่ไม่เจออันนี้มันมีประกายเหมือนเราจุดไฟเหมือนเปลวควันไฟเนี่ย อ, ออกตามร่างกายออกทุกขมขุนทุกส่วนในร่างกายของเราตัวนั้นแหละตัวที่ว่าทรมานเราตัวเก็บตัวปวดก็ตัวนั้นนะค ร, รา ว, ว, วา น, น, นะานี้ถ้าเราไม่ผ่านเนี่มันจะเข้าไม่ถึงทุกวันต้องผ่านตัวนี้ เวทนาโนปัจนามันเป็นมิปัจนาเป็นในตัวแล้วแต่เราไม่ได้ใส่ใจมันเฉยมันเป็นของมันเองไม่มีใครบังคับหรอกเราจะอดทนได้ไหมแค่นั้นนะเวทนาเขานี้มาช่วงที่ไปไ ป, ไ ป, ปฏิบัติธรรมอยู่กับหลวงปู่พางเนี่ยไปไปเป็นผระปุปถากรไปถามธรรมะท่านต้องบอกว่าอยากรู้ธรรมเลยอยากเห็นธรรมเลยเดินทั้งวันนั่งทั้งคืนท่องพุทโธเตี่ยว คนไหนไม่กลัวตายคนนั้นเจอธรรมะธรรมะอยู่ฝากตายท่านวนะ่าถ้าคนไหนไม่กลัวตายในเดือนเลยเอาเป็นเอาตายสู้บานหยังคุบ า, าจานท่านก็ปกป่าฝาดงไปตามโพเขาท่านก็ฝาเป็นฝาตายก็เหมือนหลวงปู่มั่นที่ท่านไปป่วยอยู่ทําสอำเภอจังหวัดนครนายกอ่ะเพราะว่านุขเทวทาที่เป็นหัวหน้านี่ยมาทําให้ท่านปวดท้องต้มยาเสร็จ ก็ไม่ไม่กินเหมือนไม่เหมือนไม่ได้ฉันยาก็ยังปวดท้องอยู่นั่นเด็กทรมานท่านได้บอกว่ายาวนี้หมดเยโนเข้าป่าหมดเลยเอานั่งฝ่าเป็นฝ่าตายพอจิตมันนิ่งก็ไปแล้วถึงเจอหัวหน้าทุกคติวดาเบกตะบองจับมาตีท่านท่านก็แสดงทำให้ฟัง แต่เขาก็ยอมดับก็แปลงกายเป็นมนุษย์มามากราบขอเข้ามาท่านจากนั้นมาเขาบอกว่าโลกที่หลวงปู่มั่นเป็นเนี่ยก็พ่อเขาเป็นคนทรรม ให้ท่านปวดท้องเดี๋ยวนี้เขาไม่ทำแล้วเขากลัวบาบังะต่อตอนนี้ต่อไปจะรักษาพวกสัตว์ร้ายทีพ่พวกเสือพวกซ้างที่ว่ามันจะมารังควานท่านจะไม่ให้มันมายุง่งแล้วพวกอมนุษย์ก็จะไม่ให้ ม, มายุง่งจากนั้นตรงนี้ ป, ปู่มันท่านถึงเจอของดีท่านถึงได้ของดีครูบาอาจารย์นี่ผ่าป่าเป็นป่าตายมาตัวนี้คือมีความหมดความทนถึงจะเจอธรรมะ พวกเราดีได้ได้เท่าไหร่วันหนึ่งคืนหนึ่งยี่บสี่ชั่วโมงได้ถึงสี่ชั่วโมงไหมอย่างหลวงตา ม, มหาบัวเนี่ยไป อ, อุปเปรคพ้าอุปถาดหลวงปุ่มมัน่นท่านนั่งอยู่หน้ากุฏิหลวงพู่มัน่นทําได้หกชั่วโมงเนอะหลวงปู่มั่นเปิดประตูออกมาหลวงพู่มั่นก็พูดไม่กี่คํานะท่านบอกว่าโอ้จิตเป็นผู้หญิงชื่อใหญ่เฉย เชื่อเป็นมหาแต่กิดอ่อนแอตรงปลุกมหาบวแต่เนี่ยบว่า เ, เราทําได้หกชั่วโมงแล้วพ่อแม่ครูบาอาจารย์ยังไม่ยกยอสนเสริญเราเลยว่างเนี่ยว่ากิดเราอ่อนแ่กีดไม่มีพลังกีไม่มีกําลังไม่ได้แล้วตั้งใจไหมเอาสามวันสามคืนเลยไม่ต้องถอนต้องมามันจะตายให้มันตายพอมันสามผ่านสามวันสามคืนไปแล้ว น้วงปมั่นเปิดประตูมาวันที่สี่เอามันถึงขนาดนั้นเนี่ยมันสมสื่อเป็นมหาหน่อยทั้งหาเชื่อใหญ่เจ้าฟ้ามหาการสัตย์แม่น้ามหาสมุทรสาครมันกว้างขวางมันชื่อใหญ่แต่กีดอย่าให้มันอ่อนแอถ้ากีดเราสู้กีดเดชมีพละง ก, กำลังได้สูงได้แต่ถ้าเราไม่สู้เราใครจะสู้ให้เพราะว่าเราเป็นคนยาก อยากเป็นอยากได้อยากดีอยากเป็นอยากมีอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นสมาธินี่เราเป็นคนอยากเองนะตัวธรรมนี่เป็นคนอยากถ้าอยากก็ต้องปฏิบัติวันเราอยากทานข้าวเราก็ยังไปทานข้าวแต่ไม่มีใครทําทานให้เราทานมันก็ไปอิ่มท้องของคนอื่นนนวันนี้ไม่ได้อิ่มท้องท้องคนที่ไม่ได้ทานคนที่อยากได้ก็ต้องทํา แม้แต่ใหญ่ายากเท่าไหร่ก็ต้องฝืนฝืนธรรมชาติเหมือนภายเรือขึ้นเหนือน้ำเรามีกำลังเท่าไหรเราพายเรือขึ้นเหนือน้ำต่อสู้พลังกำลังกิเลสกิเลสราคะโทสะโมหะนี่มันเป็นพ่อเป็นแม่เราพาเรามาจุติเกิดคราวนี้เมื่อเขามีจุติเกิดเขาก็ต้องมีปัญญาคน ตัวที่เป็นธรรมี่เราฝึกไม่กี่ปีฝึกไม่กี่วันฝึกไม่กี่เดือนเราอยากได้อยากรู้อยากเห็นเหมือนตัวเป็นกิเลสมันจะไม่เห็นเพราะว่ากิเลสรู้หนึ่งตัวที่เป็นธรรมเนี่ยเพิ่งจะรู้ครึ่งเดียวกิเลสรู้สองเท่าตัวเป็นธรรมถึงจะรู้เท่าหนึง่งกิเลสรู้สามตัวเป็นธรรมถึงวิ่งมาสองคราวนี้เมื่อเราทําไม่หยุดแล้วก็จะเริ่มทยอยตามกันไปคราวนี้ ต่อกำลังต่อสู้กันได้ตัวหนึ่งจะนอนตัวกิเลสตัวหนึ่งจะนั่งสมาธิตัวไหนจะมีกำลังถ้าตัวเป็นธรรมนิพพานั่งสมาธิถ้าฝืนได้ก็บังคับได้แต่ถ้าเราฝืนไม่ได้ตัวกิเลสก็นอนเถอะนอนเถอะเดี๋ยววันปูนิพพานไปทงานนะเปลีนสายไม่ได้นะต้องรู้หนะ้าที่ แล้วกลัวเรา ต, ตื่นไม่ทันแล้วก็นอนนี่คือกิเลสมันมีบงังมันมีกำลังบังคับให้เรานอนเนาะมันมีสองตัวตัวธรรมกับตัวกิเลสนี่ตัวไหนจะสู้ได้เรามานั่งอยู่นี่นี่เดียวนี่แหละคือตัวธรรมบังคับเราจะอดทนได้ไหมสักพักก็ไปทำงานนะนี่ตัวกิเลสมันวิ่งเข้ามา แสกต้องให้เราไปทํางานเดี๋ยวผิดเวลาไม่ได้เดี๋ยวนายได้ออกนี่ตัวนี้มันจะชกกันอยู่ฮะต่อสู้กันอยู่นี่เมื่อเราอยากได้เราต้องบาดมโนภาพขึ้นสมัยไปปฏิบัติตารรมอ่กับหลวงปู่พ่างใหม่ๆนี่ก็อยู่คขัแกันเราเนึกว่าเราภาวนาเป็นบาดมโนภาพขึ้นเราศรัทธาพระพุทธเจ้าเอาพระพุทธเจ้า มาไว้เราศรัทธาทำคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์หรือศรัทธาประสงค์วาดมโนภาพให้อย่างเราศรัทธาหลวงปู่มัน่นหลวงปู่เสาว์ไงเขาวาดมโนภาพไปคือเห็นตรงหน้าเดี๋ยวน้อมเข้าไปหาใจน้อมให้มันไปเด่นชัดอยู่ในใจหมุนอยู่นั้นอย่างนั้นมาเนี่ยเราก็ดูอยู่เราคิดทางขวาเราก็ดึงกลับมาหาภาพคิดทางซ้ายก็ดึงกลับมาหาภาพ สมัยปฏิบัติตามเอารูปหลวงปู่ผางมาวาดมโนภาพให้เห็นเป็นรูปหลวงปู่ผางอยู่ในวงกลมให้ท่านนั่งรับแขกอยู่กุฏิวาดมโนภาพขึ้นคืนทั้งคืนมันคิดทางขวาก็ดึงมาคิดทางซ้ายก็ดึงมาหาภาพยันคืนทั้งดึกเราก็นึกว่าภาวนาเป็นพอตื่นเช้ามาเอาบาตรสะพายคองข อ, งของไปเดินไปหาท่านเพิ่งวางบาตรลง เปิดประตูมาหลวงปู่พางเปิดประตูมาชีหน้านะเลยมัน้องกิบมารบกวนเราตลอดทั้งคืนเลยเราทำอะไรไม่ได้เลยท่านบอกว่าอย่าส่งมาใกล้ขนาดนี้มันมีศรัทธาความเชื่อแล้วอย่าส่งกิตออกนอกกายดึงภาพนั้นเข้ามาไว้ในใจครับนะไปวันนี้ไม่ต้องฉันข้าวเลยท่านไร้กับกุติ พราะว่าเพิ่งบวชใหม่ไม่เคยอดอาหารก็ล้องไห้ในใจแต่ก็กลับกลับกุฏิพอไปถึงกุฏิก็ไปนั่งไปไปกราบเสร็จแล้วก็นั่งกรรมฐานถ้าบอกว่าอาภาพที่เราเห็นเมื่อคือนนี่มันมีจุดของจิตจะอยู่แล้วดึงเข้าไปในใจวาดมโนภาพให้เห็นเป็นดอกหัวใจเป็นดอกเปิดตูมแล้วเอาดูปภาพคูวาจารเข้าไปเพราะว่ามีศรัทธา เขาก็ดูอยู่นั่นเนี่ยมันคิดทางขวาเดืองกลับมาคิดทางซ้ายก็ดึงกลับมาคิดที่ยวข้าวก็ดึงกลับมาหาภาพอย่าให้มันออกนอกไม่นานมันก็จะหมุนหมุนอยู่นั่นเนี่ยหมุนเร็วไม่นานมันก็ช้าลงช้าลงช้าลงเมื่อจิตมันเริ่มละเอียดมันช้าลงช้าลงมันละเอียดเข้าละเอียดเข้ามันหายแวบไปเจอได้ยินโอ้เราก็ต้องได้ยินหัวใจเต้นตุนต ต, ต, ตับตับอยู่นั่ น, น, นก็ดูอยู่ในนั่นภาพพอมันแหวกออกมานอกเราก็ดึงเข้าในแหวกออกมานอกเราก็ดึงเข้าในอย่าให้มันออกไปเหมือนเรานั่งสิบนาทีแต่มันผ่านไปสามชั่วโมงพอถอนหนอกมาอีกคราวนี้เราพึ่งว่าเราพ่งนั่งเป็นสิบนาทีแต่มันผ่านไปได้ยังไงสามชั่วโมงเข่ามันก็ปวดมันเวทนาผ่านไปแล้วพอถัดจากนั่นมานี่ ถอนออกมาแล้วมาคิดมาดูนาฬิกาว่ามันเพิ่งจกสี่โมงที่เหลือนี่สี่โมงห้าโมงไปหาเที่ยงเรายังมีเวลาได้ฉันอยู่อาหารเขาต้มที่เมช่ชคีทำมาถาวายหลวงปู่พังนี่ตอนกลางวันเพราะว่าหลวงปูพ่พางท่านป่วยบำดุงธาตุขันต้มกขาต้มเครื่องมาถาวายทันกับผลกนาไมม า, มาที่เหลือเราคงได้ฉันอนะ่ะ ตัวกีเดทมันเริ่มอย่างใจจันถอนจิตออกมาก็เดินไปก็เดินไปหากุฏิหลวงปูพังแต่บอกว่ามันมาทําไมอีกมันกําลังมีศรัทธาตะกี้ได้มาเข้าไปแล้วสองสามชั่วโมงกลับไปเอาเดี๋ยวนี้อย่าเห็นแก่กินกินในท้องแมวท้องแม่มาแล้วเก้าเดือนสิบเดือนแล้วแม่คลอดออกมาแล้วก็มานอนแม่บอกก็กินเดี๋ยวนี้ก็ยังกินแล้วก็นอนอยู่นี่มันจะกินไปหาอะไรนักหนา ทำมันจะเกิดแล้วไปที่เป่เามันกําลังมีศรัทธากราบท่านเสร็จก็กลับมาพอมานั่งศรัทธามัมัน ม, มานั่งกรรมฐ า, านมันมันหมดอะไรแต่อยากมานั่งกรรมฐ า, านเพราะว่าอยากฉันท่านก็ไม่ฉันบังคับท่านบังคับกี่เดชให้มันก็มาก็จับภาพเดิมเ่ยพอหมุนหมุนหมุนหมุนเข้าไปมันก็หายทั้ง ไปใช่เพราะมันหายแปบแต่หัวเราก็ได้ยินเสียงก็นั่งดูอยู่นั่นมันเย็นกายเย็นจิตมันปิดติความยินดีมันเย็นกายเย็นจิ ต, ม, ต, ม, ม, ยยจตมันหาที่เปรียบไม่นานพอถัดจากนั้นมาแล้วก็ดูอยู่นั่น ในอารมณ์เดียวเขาบอกว่าวะวะอารมณ์ตัวนี้คือเขาา้าฌานเรียกว่าฌานสมบัติแต่าาตาดันว่าเอกขะตาจิตเอกคะตาลมลมกับจิตนี่รวมเป็นหนึ่งเดียวมันถึงจะเป็นสมาธิเมื่ออยู่ในองฌานนี่จิตเป็นพระเดียเจ้ากายก็เป็นพระเดีเจ้าเมื่อถอนออกมานี่จิตเป็นบุตรชนกายก็เป็นบุตรชนดันวางนี้รีบเปล่งเข้าทันมา จากจังนั้นมานี่ก็ยันตั้งแต่สี่โมงเช้ายันห้าโมงเย็นพีกสุเพื่อนสมัณเนนที่ว่ามาตีตาดปัดตาดสี่โมงเย็นเขาเออนน้าไม่กวนมักขอกุฏิเฮ้ยจะมานอนอยู่นี่ทำไมไม่มักตีตาดปัดตาดทำคําสาดด้วยกันเน้อจะไปแล้ว พอบผงปูพังท่านเจ้าบ่าพูดให้มันถูกใจเขาให้มันผิดใจเราไม่เป็นไรใจเราเราสามารถข่มขามโกดได้บางที ก็ดงน้าําดงมาแล้วก็ไปเอาเมือไปวิทน้ํา ม, มาล้างหน้าเสร็จแล้วก็เอาดํามไม่กว่าดมานตีตาตามถนนหนทางไปถูสระถูโบสถ์ถกูเกลต์ทำเสร็จแล้วก็ไปถู ก, กุฏิกูวานอาจารย์ท้องโปผางก็ไปต้มน้ำํำถวายท่านต้มน้ำํำถวายท่านเสร็จแล้วก็อบอกว่า เราท่านส่งน้ำเดาเกลแผ่ผ้าไปพึ่งดกึกตาไปท่านท่านมาบอกเออท่านมากักกะซิบเบาๆรีบเร่งเขานะไม่มีใครทำให้เดาได้ดอกหวังนั้นมันกกะตายกเลย ตอนเช้าเราก็ข่ากีเดทมันไม่ใมันฉันตอนเที่ยงมันอยากจฉันเราก็ข่ากีเดทไม่ให้มันฉันชงกาแฟให้สักแก้วสิจะดองกีเดทมันถ้ายกไปส่งกาแฟหมาแก้วน้งเอาฉันรีบไปเด้อเวลาไม่รอถ่าใครนะถ้าไข่รีบเร่งทําได้เร็วมันก็ได้เด็วถ้าใครหมูอืดอัดยืดยาดอยู่นี่มันก็รอนายช้าแต่ละ มันกําลังมีสตางค์ให้รีบไปทําเมาอย่าเห็นแก่ดับขับตานอนท่านารีบเร่งเลยเดินทั้งวันนัง่งทั้งคืนต้องพุทโธตัวเดียวไมตตายก็เจอธรรมะธรรมะอยู่ฝาตายคนไหนไม่กลวยตายคนนั้นแต่ดูธรรมท่านว่ากราบท่านลาเสร็จแล้วลากราบลาท่านเสร็จก็มามาเดินจมกรมเดินจมกรมนี่ถ้าไม่ถึงหกชั่วโมงไม่ได้หยุดเนาะ จะทําให้มันประกอบกันสมัยไปแอบดูท่านท่านก็เดินจมกมหกชั่วโมงไปถึงเที่ยงคืนหกโมงเย็นนี่ท่านจุดเทียนเดินไปถึงเที่ยงคืนเพราะเที่ยงคืนเสร็จแล้วนี่ยกะท่านนั่งสมาธิอีกสองชั่วโมงเที่ยงคืนหาตีสองท่านนั่งสมาธิแต่ท่านชอบเดินกระสินท่านเองไฟพอถัดจากนั้นมานี่ยกะตีสองท่านดับเทียนทันที นอนท่าสยญาติคราวนี้ว่านอนท่าสยญาติเนี่ท่านก็ดูลมของท่านนี่ชั่วโมงหนึ่งตีสามท่านลุกขึ้นทันทีจุดเทียนเดินจมกรมทําอย่างนี้ติดต่อกันทุกวันทุกวันทุกวั น, วนจิตมันจางยาบมันก็เริ่มละเอียดมาปานกลางจิตไปถึงปานกลางแล้ว มันเริ่มละเอียดเข้าไปถึงที่สุดมันถึงจะเป็นสมาธิมันถึงจะรวมให้เรารู้เราเห็นได้แต่ถ้าถ้าเรามีแต่ความอยากไม่ทําไม่พิจารณาไม่แบ่งเวลาเราไม่ได้อะไรหรอกถ้าถึงเวลานี่มันจะชวนไปไปเไปเดินจมกรมเดินจมกรมเสร็จแล้วก็นั่งก่อนนะนั่งสมาธิก่อน หลวงปู่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านนั่งอยู่ตลอดท่านไม่ได้นอนพวกเราไม่แต่นอนไม่อายท่านหรือด่ากิเลสไม่ได้ด่าคนนะด่ากิเลสถ้าคนนี่ถ้ากิเลสมันออกจากร่างกายคนเนี้ยด่าเท่าไหร่มันก็ไม่โกรธหรอกตอนไหนนะที่ด่ากันไม่โกรธตอนไหนตอนนอนหแรบบับ ถ้านอนดับไปด่าเด้ด่าอะไรก็ด่าไปมันไม่รับรู้มันไม่โกรธแต่ว่าถ้าตื่นนอนขึ้นมาแล้วด่าได้คําเดียวนั่นเป็นฟืนเป็นไฟไหม่กันคราวนี้เป็นไฟไหมไม่ด่างกายไม่ช่วงโมกตัวเองนะบอกว่ากีเดราคาโทสาโมหะในมันไหม้ใจไม่ใจ มันมีพลักกำลังแต่ถ้ามันนอนหลับนี่น้องไป ด, าด่า่ิมันรูกเราเนี่ยนอนดา่ามันไม่รู้เรื่องหรอกมันไม่โกรธพอมันตื่นนอนไป ด, าด่า่ยโกรธแล้วโหเพื่อนเขาเหมือนกันต้องปูพังท่านเ่กบอกว่ า, วารักษาสามปลายจึงหายสามโทษปลายลิ้นพูดอยู่เดียวนี้คือปลายลิ้นน้องด่าคนที่ เดี๋ยวนี้ก็โกรธเดี๋ยวนี้นะถ้าดาวโกรแล้วาย ไ, ไหนเดินไปไปลายเท้าปลายเท้าเดินไปหากันพอไปถึงก็ปลายมือตบเลยปลายมือตบเนี่ยท่านบอกว่าปลายลิ้นปลายตีนปลายมือรักษาสามปลายจึงหายสามโทษเศษห้าก็อยู่นี่แหละที่พวกเราสมาทานไป สินแปดก็อยู่นี่สินสิบของสมณเณรก็อยู่ในกายนละ้สินสองร้อยยี่บเ็ดของพระเจ้าประสงฆ์ก็อยู่นี่นะถ้ามีภิกษุณีหลงเหลืออยู่ก็สินสามร้อยสิบเอ็ดข้อภิกษุณีนี่หมดการไปเวลาที่สมัยขั้งพุทธกาลอายุการห้าร้อยพะบันปห้าร้อยปีภิกษุณีหมดไปจากโลกหมดนะั้น เขบอกว่าภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาภิกษุทั้งสีเราบริษัทธทั้งสี่เราภิกษุนีหายไปหมดแล้วหลังจากนั้นไม่มีภิกษุณีทุกวันนี้ก็ไม่มีเขาบวชบอกว่าไปบวชจากศรีรังกามาศรีรังกานี่ก็ไปบวชจริงบวชชีไม่ใช่ภิกษุณีบวชเสร็จแล้วเขาวาศีสามร้อยสิเอ็ดข้อภิกษุณีนี่ต้องบวช สำเร็จสงสองฝ่ายบวชฝ่ายภิกษุณีเสร็จแล้วเข้าโบสถ์ภิกษุณีนั่งอยู่มุมหนึ่งภิกษุสงนั่งอีกมุมหนึ่งเขาบอกว่ายติจตุทกรรมสําเร็จด้วยสงสองฝ่ายถึงใจสําเร็จเป็นภิกษุณีสงได้ นี่ไม่ได้สําเร็จ ด, ด้วยภิกษุณีสูงฆสองฝ่ายไม่ได้ภิกษุฝ่ายหนึ่งภิกษุณีฝ่ายหนึ่งถึงจะเป็นเดี๋ยวนี้ห ม, หมดไปแล้วแต่สมัยข้างพุทธกาลห้าร้อยปีเดี๋ยวนี้มาอุปโลกกันขึ้นว่าไม่ภิกษุณีภิกษุณีไม่ใช่แล้วถัดจากนั้นมาเนี่เราเป็นเรื่องนอกเราอย่าเอามาใส่ใจหน้าที่เราคือปฏิบัติ ให้พ้นทุก์ปฏิบัติไม่หยุดมันก็ถึงจุดที่หมายปฏิบัติเรื่อยไปทุกวันทุกวันเราเย่ยดเห็นแก่นับแกนอนแบ่งหน้าที่แบ่งชั่วโมงเหมือนหลวงปูผ่ผางท่านบอกว่าแบ่งชั่วโมงวันหนึ่งคืนหนึ่งยี่สี่ชั่วโมงเราทําได้สี่ชั่วโมงสวดมนต์ชั่วโมงหนึ่ง ขอคานั่งสมาธิชั่วโมงหนึ่งเราได้ไปแด้สองชั่วโมงตื่นตีสีขึ้นมาสวดมนต์อีกชั่วโมงหนึ่งนั่งอีกชั่วโมงหนึ่งท่านได้ไปแด้สี่ชั่วโมงขอให้มันได้เฉเศมันเหลืออีกยี่สิบชั่วโมงทำมาหากินหาขายทำหน้าที่การงานเพื่อประกอบสมาอาชีพเดียงธาตดียงขันเดียงขอบเดียงคัวเดียงฐานะตัวเองท่านมา ทำเลยใครอยากได้ของดีดี่ทำแต่ต้องมั่นใจอย่าให้จิตส่งออกนอกส่งจิตเข้ามาหาใจของเราให้มันมีพละงกำลังเวลาที่เรานอนเนี่ยเวลาที่เราเคลิ่มนอนเนี่ยจิตมันจะเริ่มออกแล้วที่เราสับประหงเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอก ตัวกิเลสมันเอามือไปกดรรสิษาเราพอกดไปสักพักนี่งมันก็โยกเอามือโยกซ้ายโยกขวาโยกซ้ายโยกขวาพอได้ทีก็เวียงเวียงสิษาไปหมอนอีกข้างหนึ่งมันทําไมไปดงถึกนะถึงถึกหมอนนะ่ะหัวเรามันก็กลัวหัวเก็บเหมือนกันเพราะกลัวกายเราเก็บเหมือนกัน พอถัดจากมันมาเนี่ยละก็รู้ทันแล้วก็มานั่งดูมันเป็นเงาตามตัวในจิจถ้ากิจกับกายเรานั่งกรรมฐานอยู่นี่ถ้าจิตมันอยากจะไปทํางานมันก็ไปที่ทํางานหลังก็ไปวันพวกนี้ต้องทํานั่นทานี่ไปมันคิดเตื่อยเปลยไปนั่นแหะกิจมันไปที่ทํางานคราวนี้เราจะแก้อย่างไง แล้วก็บอกว่าไปก็ไปได้แต่จิตแต่มันไม่สามารถทํางานได้เมื่อสังขารไม่ไปด้วยมันทําไม่สําเร็จหรอกดึงจิตกลับมาวันพรุ่งนี้ค่อยไปถึงเวลาค่อยไปสังขารไปจิตไปทําเลยเขาเนี่ยมันถึงจะได้จะรู้จะเห็นเราต้องฝักใฝ่ถ้าเราไม่ฝักใฝ่ทาไม่มีใครทําให้เราพ่อแม่ปู่ย่าตายาย ครูบาอาจารย์ก็นับวันร่วงโรยไปร่วงโรยไปเราอย่ามาน้อยนิ่งนอนใจอย่าช้าเวลาถ้าเราอยากได้อย่างดีรีบขนขวายอายุก็มีแต่อายุเยอะๆแล้วสี่สิบห้าสิบกสิบปีไปแล้วหรือเจ็ดสิบปีก็มีนั่นเนี่ยนุ่มเหลือน้อยแล้วทนวลาถ้าเราไม่ฟักไปไม่มีใครทำให้ไลยหรอก อยากได้บุญก็ทํานี่แหละคือบุญนั่งสมาธินี่คือบุญธารามายัยตื่นเช้ามาเราก็ให้ฐานไปแล้วหาตักข้าวใส่บาตรพระเจ้าพระสงฆ์เราก็ทานแล้วทานามายัยศีรามัยเนี่ยพอเรามานั่งสมาธิเดียวนี้ตรงปู่ฟันท่านเอาให้เอาปัจจุบันเรานั่งอยู่นี่เนี่ยนั่งสมาธิอยู่เดียวนี้จิต มดตัวแดงเมงตัวน้อยเราก็ไปในข้ามันไม่ได้บีมันนี่คือกิจดาวบริสุทธิ์เดียเดียวนี้ศีลนาวบริสุทธิ์เดียเดียวนี้เมื่อกิตเมื่อศีลสมาธิเมื่อศีล บริสุธ์แล้วสมาธิมันก็ตามมาเมื่อเรานั่งสมาธิจิตรวมเป็นสมาธิปัญญามันก็เกิดหลวงปู่พางจะเน้นหนักเรื่องสัจจะศีลสมาธิปัญญาถ้าคนไม่มีสัจจะนี่ก็ไม่มีศีลทั้นน่ะขาดศีลไปเลยมันเป็นการพูดปดหมดเท็จนี่มันขาดแต่เราไม่เข้าใจอันนี้หลวงปู่ฟั่นท่านกระดบรัว อดีตตื่นขึ้นมานี่มันเป็นอดีตแดงมันถึงปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี่ทำสมาธิอนาคตไม่แงไปมองถึงให้เอาปัจจุบันเป็นหลักปัจจุบันนี่นั่งสมาธิอนาคตมันต้องนั่งสมาธิเตื่นเช้ามาเป็นอดีตไปแล้วบางทีเราไปขาดมัดตัวแดงแมงตัวน้อยเราไม่ได้มีเจตนาเราไปเหยียบมัน แต่มันมีบาดีอยู่เจตนาหั่งพิกเวสีดังบดามิเจตนาคือตัวศีลถ้าเราไม่มีเจตนาไปฆ่ามันมันก็ไม่เป็นบาปเป็นกรรมให้เราตั้งใจทาเมาไม่มีใครทาให้เราได้นักปฏิบัติก็อยากได้อยากรู้จยากเห็นทุกคนนะ่ะแต่ถ้าไม่เอาถ้าไม่เอาหลักการฝึกสมาธิมาชี้ทางให้ มันก็ไม่กระจ่างแต่ถ้าเราอยาบเราก็ต้องฝึกล้วน้อมดูน้อมดูเราจิตนี่ไปดูใจตัวเองเพ่งไปให้เห็น รองไล่าอาการสามสิบสองเลยเกษาผมโลมาขนนักขาเทพดันตาฟันไตโจหนังมังสังเนื้อนาะหาดูคือเอ็นอัติคือกระดูกอติมิดชังเยื่อในกระดูกว่ากังม่ามหาัตตาจังหัวใจยะกษนังตับกีโรมะกังพังเผดปีหากกังไตตาปัสสังปอดอันตักคุณดังใส่ใยกระดิสังอาหารไม่ไล่ไปเลยให้มันคอปการสามสิบสองอย่าง ในกายเราเนี่ยคราวนี้เพ่งจิตไปดูว่าม้ามมันอยู่จุดไหนปอดมันอยู่จุดไหนไตเราอยู่จุดไหนตับเราอยู่จุดไหนไส้น้อยมันมีเท่าไหร่ไส้มัใหญ่มันมีกี่ขดเดาก็ไล่ไปเส้นเลือดมีเท่าไหร่กระดูกมีเท่าไหร่เหมือนหมอกับลุงปู่มั่นสนทนากระทำกบน หลวงปู่มั่นว่ากระดูกของคนนี่ในร่างกายมีสามร้อยนหมอที่เขาผ่าตัดเขาบอกว่าหลวงปู่มันมีแค่สองร้อยแปดสิบตนท่านบอกว่ากระดูกอ่อนไม่นับเข้าหรือวันหน้ามันก็เป็นกระดูกแข็งแล้ว ไปนับดูใหม่คุณหมอไปผ่าตัดดูนับดูใหม่พอคุณหมอไปผ่าตัดวิจัยอีกค่าวเนี่ยเออสามร้อยท่อนเหมือนหลวงปู่ ม, มั่นพูดจริงๆก็ดูก่อนมันก็มีมันพร้อมที่จะเป็นท่านมาเนี่ไปถกเถียงท่านไม่ได้เพราะว่าท่านเอาจิตไปตรวจดูพวกเราอยากได้ก็ต้องอย่าส่งจิตออกนอกฝึกให้มันรู้ ฝึกให้มันเห็นฝึกให้มันเป็นให้มันเกิดให้ได้มาเนาความอดทนเนี่ยถ้าตนไม่เตือนตนแล้วใครจะเตือนให้ถ้าตนเตือนใจตนได้แล้วใครจะเหมือนถ้าตนเฉยเชือนใครจะเตือนให้ป่วยการไม่มีใครจะเตือนให้เราลุกนอกจากเราเอง ถึงเหนื่อยเสียนเหนื่อยก็ต้องบอกว่ารุกขึ้นได้เวลาแล้วทําวัดถวายราสวดมนต์นั่งสมาธิถ้ามันไม่รุกก็บก่าวเลยเวลาแล้วถ้านักปฏิบัติได้ไปตามอยู่ตามป่าตามเขาลุกขาเทวดาเข้าเฝ้ารักษาเข้ายากได้บุญได้กุศลโดย เขาเรียกเราให้รีบลุกทันทีถ้าวันแรกเขาเรียกเราไม่ลุกวันที่สองเขาไม่เรียกล้วเขาปล่อยเลยเขาบอกว่าสอนไม่ได้นะเรียกไม่ได้นยะ <c oughs> คนคนนั้นสอนไม่ไดนะ้ถ้าเขาเรียกเราให้ลุกทันทีลุกวันแรกลุกวันแรกนี่มันจะดันเลยมันจะบอกเรา มันจะเตือนเราจะให้เราทำสมาธิให้ได้เมื่อเราไม่ไม่ไ ม, ไม่เราไม่ใส่ใจมันก็ไม่เกิดธรรมะมันอยู่กับคนใส่ใจคนที่อยากได้ยามดีบําเพ็ญไปไม่มีใครบําเพ็ญให้เราหรอกพ่อแม่ครูบาอาจารย์เล่นไหมพุทธเจ้าตันดีเติรดโลกกันนาตในทตันกอลาสังขาร พอเข้าสู่ปริณีปานนั่นแหละแต่สมัยข้างพุทธเจ้านี้มีพระภิกษุองค์พี่กับองค์น้องเป็นนั่งกรรมฐ า, านอยู่ดิมฝั่งแม่น้ําตอนเล็กๆ ก, ก็ให้องค์น้องนีงน่ท่องหนังสือองค์พี่เป็นคนจําเจ๋งมีความจําดีเขานี่ย่ท่อ ง, องบรรทัดหนึ่งก็จําได้องค์น้องนี่วันทัดเดียวจิตวันก็ท่องไม่จํา ว่าท่องไม่จําองพี่ได้บอกว่าถ้างั้นมันคงไม่มีบุญเก่าเวลาพพุทธเจ้าสึกไปเถอดท่านนะพอไปกราบลาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านรู้ล่วงหน้าได้ว่ามาทําไมจะมาลาสึกคงพี่ให้สึกว่างั้นว่าธรรมมันมีหลายข้อใจไหมครับผมวินัยมีหลายข้อใจไหมครับผม ถ้าอย่างนั้นตถาคตจะให้คําเดียวเอาไหมข้อเดียวเอาถ้า ง, งั้นไม่สึกใช่ไหมครับเอาเอาพุโทโธไปเลยท่องพุโทโธพุโทโธหรือพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติให้เึกถึงความใจทุกลมหายใจเขาออกอยู่นี่ก็ท้ทองพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปแป๊บเดียวในวันนั้นเนะี่ยใจมันมีความเชือ่อ อาสวกีเดชขาดสวรรค์ได้สําเร็จเป็นพระรหันได้นั่นในวันเดียวมีอีกองหนึ่งเขานี่ก็ให้ท่องหนังสือก็ท่องไม่จําครูบาอาจารย์ก็บอกว่าอา้าเอานี้ไม่กวดไปท่านไปกวดต้นไม้ต้นนั้นนะต้นไม้นั้นมันใหญ่หน่อยครับผมกวดไม่จบกวดไม่เสร็จอย่านั่งนะครับผมก็ไป กวาดคราวนี้มันเหนื่อยต้นไม้มันใหญ่ใบไม้มันหนากวาดไปกวาดไปอยู่นั่นเนี่ยถ้าจะมานั่งก็คิดถึงคำครูบาอาจารย์บอกว่าห้ามนั่งให้กวาดอยู่นั่นเนี่ยพอกวาดเสร็จแล้วก็มานั่งพิจารณาครางนี้อาจารย์หลวงที่ท่านเป็นพระเดเจ้าตั้งก็เพ่งวายะวามลมเพ่งไป มันเป็นลมพายุหมุนใบ ไ, ไม้ก็ร่วงลนมาอีกร่วงลยมาอีกก็ปัดกวาดอีกรอบสองพอจะเสร็จท่านก็เพ่งไว้ไปอีกเพ่งวายโยไปอีกลมพัดหมุนใบไ ม, ไม้พังลงมาอีกท่านก็กวาดอีกพอกวาดเสร็จรอบสามเนี่ยมันเหนื่อยสองรอบสามรอบแล้วมันเหนื่อยข้าวนี้มานั่ง มานั่งมาพิจารณาว่ตัวนี้เป็นภายนอกถ้าภายนอกสหาสถ้าเรากวดภายนอกสหาหแล้ดวข้างในเนี่ยแต่ถ้ามันเกิดราคะโทสะโมหะมาเราก็ไม่กวด คือเอาจิตนี่สลัดออกไปราคามันเกิดขึ้นมาเก่าวกิจสลัดออกไปโมทะโมหะขึ้นมาโธสะขึ้นมาความโลภความโกรธความหลงขึ้นมาเราเอาจิตสลัดออกไปมันก็เหมือนกันนะที่เราปัดกวดาดใบที่มันร่วงแล้วร่วงอีกล่องหล่นแล้วรุ่นอีกอาทางนั้นก็ พอคิดได้ก็มานั่งท่องพุโทโธพุธโทโธลมดูลมหายใจเข้าออกของตัวเองสักพักหนึ่งจิตมันก็ละเอียดเข้าละเอียดเข้ามันก็รวมตัวไปเป็นสมาธิรวมเป็นไปสมาธิอยู่สักพักหนึ่งมันรวมใหญ่อสวกีเลสขาดสวรณุมาได้ปักผลนิพพานพอคราวนี้อาจารย์ที่ท่านสั่งให้ไปกวด ท่านก็เดินไปคราวนี้ไปขอไม่กวดกลับคืนมาท่านท่านเอาไม้กวดพร้อมคืนมาได้แล้วท่านไม่ต้องกวดอีกต่อไปแล้วท่านนะเพราะว่าท่านนั่งดูอยู่นั่นเนี่ยคราวนี้มีพี่กับน้องก็ไปนั่งกรรมฐ า, านอีกห่องหนังสือเหมือนกันคราวนี้คงพี่ก็ต่องได้องค์น้องก็ต่องไว้ได้ น้องชายเนี่ยไปชอบไปนั่งหดียมฝั่งแม่น้าเมื่อไปนั่งาาาก็มาฐานพอจิตมันจะเคลิมพอจะเคริ้มเขานี่พอจิตมันจะเริ่มละเอียดพญานาคก็มาลเลยคราวนี้มาโผล่ขึ้นมาความสนุกของพญานาคมาเห็นภาพมานั่งเนี่ยอนนี้ก็โผล่น้ำขึ้นมาก็พ่นน้าใส่พระองค์ที่เป็นน้อง ไปนั่งฝั่งน้ำนี่ก็เปียกทุกวันพยนาพ่นน้ำใส่พญานาคก็สนุกความสนุกสนานของพญานาคพ่นน้าใส่ผ้าเบื่อหน่ายความความที่เบื่อหน่ายเพราะว่านั่งวันไหนก็เปียกวันไหนก็เปียกผ้ากีวอนก็เปียกลาคาญเขาเนี้ เมื่อสําคาญพญานาคเสร็จแล้วก็มาขอปัญญาจับพี่พี่พี่ทำยังไงเราไปนั่งภาวนาทุกวันพอได้พญานาคอย่างหยอกล้อเราก็โป้ขึ้นน้ํามาก็มาพ่นน้ําใส่เราเปียกทุกวันเลยไม่อยากจเจอกองพี่ก็เลยให้ปัญญาบอกว่าพญานาคนี้เข้าห่วง เก้วเกจประการอยู่คอเขานะถ้าเขาโผล่ขึ้นมาอยากให้เขาพ่นน้ําใส่เราขอเลยพญนาคอาตมาขอแก้วเกจประการอยู่คอท่านหน่อยได้ไหมพอได้ยินได้แล้ของหักของห่วงก็ดําน้ําลงไปวันหน้าไปนั่งพญนาคก็โผล่น้ําขึ้นมาก็รีบขอค้าเนกพญนาคก็ดําน้ํ า, าลงไปอีก สามวันนั่งกรรมาฐานอย่นั้นพอถัดจากนั้นมาเกิดวเวทเก้านี้เกิดวเวทขึ้นมาไม่มีใครไม่มีพญานาคมาหยอกล้อกันคราวนี้อยากเห็นพญานาคพญานาคก็ไม่มาเพราะว่าพญานาคห่วงเกี่ยวจิตประการตัวนี้ต่าบใดก็เหมือนกันถ้ามนุษย์เราขอ ขอขอกันอยู่ทุกวันนี่คนคนนั้นก็จะไม่มาให้เห็นหน้าอีกเหมือนเขามาขอตังเราเหมือนขอเขามาขอทรัพย์สินของเราขอที่ได้ที่นาที่เรือสวน็ดีขอเงินขอคําขอข้าวขอของ็ดีเราไม่พอใจจะให้แต่เขาก็มาขอเราตะ ว, วันเราก็เบื่อหน่ายเราก็ไม่อยากเจอเขา ก็เป็นแบบเดียวกันกับที่ว่าพญานาคกับพระพระเนีมาขอแก้ยวกิดประการอยู่ขอไปขอพญานาคพญาพนาคเป็นของอัปของของรักของหวงก็ไม่อยากจะให้มก็เป็นแบบเดียวกันทรัพย์สมบัติของใครใครก็รักทรัพย์สมบัติของพญานาคพญานาคก็รักนี่แหละคือหวงแต่หวงมันก็เป็นกิเลส ของหองของแพงนี่ยก็เป็นกิเลสกิเลสราคาโทสะมโมหะเกิดมาแล้วเอาไปไม่ได้ได้ท่านก็บอกว่านี่ตุกูนั่นตุกูดูออกบุ่นชุนรมุนแย่งสิ่งในสิ่งของ แย่งสมบัติแย่งอำนาจวังเล่ยของแต่ก็ต้องไรค่าเวลาตายเวลาตายไปแล้วเขาไม่ให้อะไรไปด้วยแม้แต่ทรัพย์สินสมบัติที่เราหาได้เงินคำบ้านช่องรถเรือก็ออกไปไม่ได้สักอย่างเขาให้แต่ชุดเสื้อผ้าชุดเดียวที่ให้ติดตัวไป เงินบาทคือห้าบาทเท่านั้นเขาหย่อนใส่ปากให้เขาเรียกว่าเงินปากผีแต่เวลาที่เก็บปฏิเขาก็ไปเก็บคืนถ้าคนไหนเจอเขาบอกว่าคนนั้นให้้ก็พูดตอาเองท้งนั้นนะแต่ถ้าเราตั้งใจมันมีนิทานเยอะพาไปปฏิบัติธรรมอยู่ตามป่าชาบางทีเนี่ยกลัวผีก็กลัว ตกดึกมาเนี่ยวันนั้นเขาไปเผาศพภาคก็บอกว่าเรานั่งสมาธิเราจะทำยังไงถ้านอนอยู่กุฏิมันก็ง่วงอ๋อเธอออกไปป่าช้าเธอว่าไงไปนั่งอยู่ป่าช้านั่งพอเรานั่งเสร็จแล้วเอาผ้ากีวรพกศีรษะเลยปิดเม็ดชิดนั่ง เอาแต่หูจดจดจดจ้องเสียงว่าอะไรจะเกิดขึ้นจดจ่อเสียงว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นไม่ดานตีหนึ่งตีสองมาหมาที่คลอดลูกใหม่ๆเนี่ยหมาตัวเมีที่คลอดลูกใหม่ๆนมมันย네านคราวนี้มันวิ่งมาก็เสียงนมมันตีกันพับพับพับพบพับพบ พ, บ พ, บพับมาตามถนน ตายแต่แนะ้อผีคงมาแล้วเสียงมาแล้วไม่นานก็พับพๆๆพพพับมามาถึงกองของฟอนที่เขาก่อเสริงตะกอนะ้่าก็นั่งอยู่ข้างๆกันเนแต่คราวนี้ น, น, นี่ข้าวเหนียวที่เขาไปแต่งก่อห้องข้าวให้ผีอยู่หัวกองอยู่หัวเสิงตะกอนะ ข้าเหนียวมันไหม้บ้างไม่ไหม้บัางหมามันก็ไปกินถ้าจะเดิมตาก็กลัวมันจะเป็นผีคราวนี้ก็หมามันก็เคี้ยวข้าวเหนียวยิงกอบแกบก็แกบอยู่นั่นนะครับเนี่ยพอเคี้ยวไปสักพักเนึ่ยมันก็นิ่งไม่นานมันก็เคี้ยวอีกกอบแกบกรบแกบพระที่ว่าจะ ได้ยินเอาเติสโสตรประสาทเอาแต่หูี่ฟังหมายเคี้ยวจิตมันก็เกิดสงสัยคราวนีเ้เราจะดูไหมถ้าเราไม่ดูก็ไม่ได้จิตมันก็ไม่รวมลัวผีก็ลัวท่านี้ก็ขี้ผ้าออกตรงดวงตาสองดวงหนึ่งขีผ้าออกมองเห็นโอ้ เรานี่เป็นพระสินสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อหมานี่ก็เป็นหมาตัวเมียมันก็ยังไม่กลัวผีเราเป็นพระเนี่ยสินสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อยังกลัวผีอยู่หมามันไม่ถือสินมันก็ยังไม่กลัวผีมันเป็นหมาตัวเมียมันมาหาข้าวไปเลี้ยงลูกของมันมันยังไม่กลัวเลย เราเป็นผ้านเนเี่กลัวต่อไปนี้เราไม่กลัวแล้วว่างนั่งถ้าไม่เห็นเราจะไม่ลุกตายให้เป็นตายวางั่นแต่หมามันยังกลัวไม่กลัวคราวนี้ได้เอาหมาเป็นครูบาอาจารย์ออดทนได้เพราะหมาเพราะถ้าจากนั้นมาใกล้จะสว่างจิตเคลิ้มไปรวมเป็นสมาธิไปอดทนวันหลังมาใหม่คราวนี้ ก็ได้พราะมานั่นะเป็นสมาธิบางองก็ได้เพราะเสือเข้าป่าเนี่ยได้ยินเสียงเสือร้องเนี่จิตมันวิวเลยนะมันกลัวตายเสือคำรามอยู่นั่นมันก็กลัวตายแล้วก็นั่งบางทีจิตมันไม่เคยเจอไม่เคยได้ยินกลัวเสือแล้วจิตมันวิววิววิ ว, ว, วหายรไปเลย เพราะมันกลัวตายนั่นกิจมันรวมเป็นสัมมาธิฏฐิก็เหมือนหลวงปู่ชอบท่านขึ้นเขาผูเขาไปเคยไปอ่านในประวัติของท่านท่านขึ้นเขาไปท่านบอกว่าขึ้นจากตีนเขาไปถึงหลังเขาเนี่ยเที่ยงคืนญาติโยมก็บอกว่าหลวงปู่จะขึ้นไปอยู่หรือขึ้นไปไม่กลัวเสือหรือไม่กลัวพ ย, ยักษ์ร้ายหรือกลัวก่อยใส่ตึกกลัว อยู่ข้างล่างมันก็กินได้อยู่บนเขามันก็กินได้อยู่ที่ไหนมันก็ตายเพราะท่านเดินขึ้นไปจากตินเขาเนี่ยไปถึงหลังเขาเที่ยงคืนพอดีเสือก็ร้องมาทั้งข้างหน้าตัวหนึ่งข้างหลังอีกตัวหนึ่งเอา้ามันถึงข่าวตายของเราเด้อเด้อถึงว่าถ้ามันจะตายก็ตายบาคันเรอส่ายกด ถ่ายบาดถือกาน้ําถือขมเทียนเพราะว่าขึ้นไปนตอนกลางคืนพอเสือมันล่องมาใกล้เข้าใกล้เข้าจิตผู้รู้มันบอกว่าเสือทำอันตารายเราไม่ได้หรอท่องพุทโธตัวเดียวท่านก็ยืนกำหนดท่องพุทโธพุทโธพุทโธจิตมันกลัวตายมันหายแอบไปยืนนิ่งอยู่นั่นสองชั่วโมง พอรู้สึกตัวขึ้นมาการ น, นี้เสือมันหายไปหมดแล้วท่านก็เดินกลับข้ามเขาไปอีกฝั่งลูกหนึ่งพอตื่นเช้ามาเนี่ยท่านก็ลงไปบินทบาทพอไปลงบินทบาทเสร็จแล้วชาวบ้านได้บอกว่าลุงปู่มายังไงมันมีเสืออยู่บนยอดเขาอ๋อ oh. เสือมันก็ทํามันตรายเราไม่ได้นะ อ่ามันทํามันต่อใดเราไม่ได้เสือตันวางงี้เมื่อคืนนี้มันก็เจอกันอยู่นี่แหละครูบาอาจารย์ท่านไปตามป่าตามเขาท่านได้ก็ได้กับพวกเสืออย่างหลวงปู่พังนี่ก็ได้พ่องูหลวงปู่พังที่อยู่วัดอุดมูขาคีรีเขตอำเภอมันจ่าคีรีจังหวัดขอนแก่นท่านมาปีแรกสองสี่เก้าสอง หลังจากท่านไปอยู่ลงกระดุงุงมันท่านบวสองสี่เก้าหนึ่งบวเสร็จแล้วท่านอยู่มาจำบรรษาที่วัดป่าศิลาเล็กพอออกบรรษาท่านก็เดินทุดงมาสองสี่เก้าสองมาฝากตัวเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มันที่บ้านหนองผือสะกลนาคอนทีงบ้านห น, นองผือด้าไหนอันนี้เมื่อฝากแล้วไปอยู่ได้สามเดือนหลวงปู่มันท่านบอกว่าหลวงพ่อผางไม่เกียเป็นหนึ่งเดียวแล้ว กินเป็นหนึ่งเดียวไม่ต้องไม่ต้องอยู่กับหมู่กับคณ ะ, ะไม่ต้องมารอกินบางสกุลนะเห็นว่าเราแกลเราโชวเราจะตายเดี๋ยยังไม่ตายยังไม่ได้กินบังสกุลรีบเข้าตาเลยตอนนี้หลวงปู่มั่นท่านก็ได้ไม่มีของฝากนะหลวงปู่มั่นว่าออถ้าหลวงปู่มั่นไม่ให้อยู่ก็จะกราบลาตลวงปู่มั่นว่าเดี๋ยวให้ฝากก้อนหินหน่อย หลงปู่มั่นท่านก็เหยีบก่อนเห็นให้นี่ของฝากนะก่อนเห็นก่อนเดียวเดินเข้าป่าเลยกิจเป็นหนึ่งเดียวท่านนี้หลวงปู่ผางท่านเล่ามาให้ฟังก็ได้ว่าหลวงปู่หลวงปู่หลวงปู่มั่นด่าหลวงปู่หลวงปูู่โกรธท่านไหมแม่โกรธจะไปโกรธท่านทาไมพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านให้ธรรมมาเราท่านหลวงปู่ตีเป็นธรรมายังไงนะที่ว่าหลวงปู่ให้ก่อนเห็น ท่านบอกว่าให้ทำใจให้หนักแน่นเหมือนก้อนหินทำใจให้เป็นธรรมชาติใครดุใครด่ใรดาใครว่าอะไรอย่าไปโกรธตอบเขาทำใจให้หนักแน่นเหมือนก้อนหินเราก็กราบลาท่านมาตอนหลวงปู่มั่นท่านลาสังขารหลวงปู่ไปพระราทานเปงศบท่านไหมไม่ไปจะไปทาไมล่ะอาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าไม่ให้ไปกินบางสกุล จะไปทำไมละ่ะกิจของเราถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วกิจคุบอาจาย์ก็อยู่กับเราเราเกิดเลยไม่ไปท่านมาวัดดูลเนี่ยงู ม, มาขอกินงูตัวใหญ่นะตอนแรกท่านก็เดินจมกมอยู่ท่านบอกว่าเสียงเหมือนนกวีดนี่ทองมันลาก มาตามพลาันหินหลังเสียงดังเหมือนโรคเวิดนี้เวิดเวิ ด, ว ด, วดมาอะไรมานาะท่านวามันร้องอยู่ตลอดเลยนะถ้าเดินจมกลมนี่ขามันจะพาวิ่งท่านวะต้องก็ได้เข้ากดไปนั่งต้องก็เอามือรัดเขา่าด้วขาอย่าพาวิ่งนะท่านว่าถ้าวิ่งเมื่ อ, อไหร่เป็นบ้าทันทีแล้วท่านวะต่อท่านเอาจิต เป็นสมาธิกิดมันเน่งแล้วงูก็พูดได้มาจะมาขอกินหน้าดงพ่อพางว่ า, าขอกินยังไงคนมาปฏิบัติธรรมท่านมางูได้ตอบว่าเห็นไหมที่เห็นบาดเห็นกดไหมเห็นรองเท้าไหมล้วกินทั้งหมดผ้าที่เคยมาทวดทิวดองนี่เอาปากกดจ่เห็ดเรากินหมดแล้วเอา้าถ้าอย่างนั้นจะกินก็กิน แต่กินเราเนี่กินให้มันหมดนะตันมา ก, กินอะไรมั่งนะกินสังขารเสร็จแล้ว กินกรดกินบาตกินรองเท้ากินกาน้ํากินให้มันหมดอา้าถ้าจะกินกินเลยท่านก็เหยียดขาให้กเกาออกมือเอาแขนนี้แนบกายงูเนี่ยก็เกิกนมาเกินมาถึงต้นคอพอถึงต้นคอเสร็จแล้วมันนิ่งอา้าทําไมไม่กินน่ะท่าไม่กินคายออกท้าไม่คอยออกสอกจะกระทุง้งพุงเอาหน้าท่นาน่ะ หลอกกระทุงงพงเสร็จแลิวมันก็บอกว่าเออได้คนมาสร้างวัดแเนาะหมดคนเิ่มจะกลับมาใหม่ทั้หลาเดี๋ยวนี้ยังไม่หมดคนนู่นนี่ขั้นหมดข้ามพระทงหมดคนก็หมดศาสนาของพระพุทธเจ้า ได้คนมาสร้างวัดนะถึงได้เป็นวัดอุดมของข่ายกิริเขตหลวงปู่พังนี่จะไปอยู่ตามป่าก็ไปเจองูแต่เป็นนกขาเทวดาแปลงมาจะไปเจอช้างจะไปเจอเสืออยู่เขาคอเพชรบูรุญนี่ก็ไปมีเสือเดินทางมาข้างหน้าตัวหนึ่งข้างหลังตัวหนึ่งล่องมาท่านก็หลบเข้าไปประมาณข้างทางเดินไปยืนกําหนด เสร็จแล้วนี่ก็ัตัวหน้าก็เดินสวนไปตัวหลังก็เดินสวนไปก็ไม่เห็นเป็นอะไรโยบเอความสารนี่หลวงปู่พังท่านไปปักกดอยู่หน้าถ้าไปเสือไปคลอดลูกอยู่ในถ้ำตอนที่หลวงปู่ผังท่านจะออกไปบินทบาทมันก็เดินสวนทางออกไปไปหากินก่อนพอท่านจะกดบเข้ามามันก็หาอาหารเสร็จแล้วมันก็เข้าไปถ้ำหาลูกมัน ท่านจำบรรษาอยู่่อนสารมันก็เป็นอย่างนี้คุบาอาจารย์ที่มีศีลมีธรรม เมสสิลาจารวัตเนี่ยท่านนักสาสีนสันลายก็เป็นเพื่อนเป็นฝูงเป็นหมูเป็นพนันธะเพราะว่าท่านไม่เบียดเบียนมันก็อยู่ด้วยกันมาได้พวกเราก็เหมือนกันเนี่ยถ้าอยู่ในชุมชนถ้าให้ความเมตตากันเชื่องกันได้กันเป็นหมูเป็นคณะมีอะไรคุยกันปรึกษากันมันก็เป็นเพื่อนกันเพื่อนญาติธรรมสหธรรมิตรมันก็จะเกิด เป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วปฏิบัติทำร่วมกันศีลเสมอกันมันก็อยู่ด้วยกันได้แต่ถ้าศีลไม่เสมอกันคนนี้ถกเถียงคนนี้คนดา่าคนนี้ไม่เอาใจใส่มันก็ไม่ได้ไม่ดีไม่เป็นไม่มีไม่มาธรรมะมันก็ไม่เกิดก็เหมือนที่ว่าใจเห่อเฟื้อใจเมตตาใจเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันมันก็อยู่ร่วมกันได้ก็เหมือนวันนี้นะอ่า อ๋อได้กี่ชมไดกี่นาทีแล้วนาทีก็ชมแล้วอา้าวได้สิได้จะได้เวลาทำงานนะ <c oughs> เนะอา้าวขอจบลงทานี้เนาะถ้าถ้าเอาเยอะไม่ใช่อะไรหรอกมันจำไม่ได้ <c oughs> มันลืม <c oughs> ขณะ น, นีขนาที่จะไปตฏิบัติเนี่มันลืม <c oughs> เอาวันณนิด เก็ดร่มใสท่องให้มันได้ท่องให้มันขึ้นใจ อ, อ้วจาวเพราะโมสร้างอาคารบุรพาจ า, ารย์ในในใรมไม่เป็นไรถ้าใครไม่มีตังโอ น, นเข้าบัญชีก็ได้ <c oughs> ใครอยากได้เบอร์บัญชีก็อา้าวเมมไว้ก็ได้เดี๋ยวจะบอกเบอร์บัญชีให้ครับ <c oughs> ท่านใดต้องการที่จะร่วมทาบุญกับหลวงปู่นะครับในการสร้างอาคารโบร า, ราณส า, านนะครับก็<ม>วันนี้หลวงปู่ท่านมาอนุโมทนาด้วยก็สามารถร่วมทาบุญได้นะครับในครงนี้ครับอาเมมไม่นะจะบอกจะบอกเด็กที่บัญชี982 143 สี 4, 5, 8, 4, ่ห้าแปดสี่ทวนใหม่อีกทีหนึ่งเก้าแปดสองหนึ่งสี่สามสี่ห้าแปดสี่ธนาคารกรุงไทยพค่โโรรคพรูโสผลธรรมคุณาพรลงปูประเสริฐ อ, อยู่ในนั้นมันจะกดมันจะขึ้นมาทันทีไม่ได้ไปไหนหรอก หลวงปู่พังท่านใช้ไปสร้างวัดถวายท่านใจแรกนี่ก็ไม่อยากสร้างหล้วสมัยที่มาอยู่กับท่านพอท่านพรรษาที่สี่ท่านได้ว่ามีอายุพรรษาไปสร้างวัดถวายหลวงปู่หน่อยนะท่านหลวงปู่มีแต่อายุพรรษามันสร้างไม่ได้มันต้องมีตังมากกว่ท่านถ้าวันหนับตาไปจะพักท่านก็ได้ว่าถ้างั้น ไปเป็นผู้บริหารให้หน่อยถ้าหลวงปู่ยังมีชีวิตหลวงปู่จะหาไปช่วยแต่ว่าถ้าหลวงปู่ร่วงลับหลับพันจะแล้วขาดเรืออะไรจุดทูบบอกหลวงปู่นะจะหามาให้เหมือนหลวงปู่มีชีวิตอยู่ทั้งคราวนี้ก็ไปเที่ยวถึงเวลาก็มาเองไปสร้างวัดนั่นทีพอสองพันหนรยิบเพรรษาที่เก็ด ก็บวดสองหนึ่งสองสองสองสามสองสี่สองสองสี่ปลายปีหลวงปู่ผังเข้ามาทำสังขารบันที่วันที่ยีสี่เดือนมีนาก็ยี่สีนาทีนะวันเดือนมีนาเนี่ยสองสี่เขาในยี่สิบห้าก็ยังจำบรรสายอยู่นั่น ยี่หกต้องไปจือรรถไปรับมามาเชยภูมิเขาท่านพาเดินเที่ยวถือดงแทวอ่างเพลคอนสารปูเขียวเก่งคออาอำเภอหนองบัวดแดงอำเภอเกษตรสมบูรณ์เราไปอำเภอดมศัก์ ธรรมะเราเพลาเวแถววิเชียนบุดีเที่ยวอยู่แถวนี้นะที่ปามีป่ามีเขาเขาเนี้ก็ขึ้นไปทุ่งกระมังยอดน้ําชีช้างก็ยังเหลือเสือก็ยังมีปวงก็ยังมีหมูป่าก็ยังมีไปเป็นทีมสิบเอ็ดสิบสองกองเดินไปตามรอยช้างเดินไปตามด่านช้างเดินไปตามด่านเสือ ตกดึงมามันก็ร้องเสือกิดเราไม่เคยได้ยินเสือร้องมันก็หวิวโลนทันทีมันจะรวมเป็นสมาธิช้างนี่กับมันกันสามสิบสี่สิบเชือกอยู่นั่นทุงกับมังยอดชีเนี่ยพอมันร้องในกิดมันหวิวมันกลัวมันกลัวตายมันจะรวมทันทีเนี่ยนะเนี่ยถ้าเรากลัวตายเนี่สิ่งที่เราไม่เคยเห็นมันจะปรากฏ ท่านจะรวมทันทีออต่อจากนั้นมาเนี่ยค่ท่านได้สั่งไว้ท่านไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่ครเพอคอนสารนี่ท่านนั่งฉันข้าวอยู่งูเขียวก็มาเลื้อยขึ้นไปตามลำไม้ไผเลื้อยกลับลงมาเลื้อยไปรอบที่สามเนี่ก็เลื้อยขึ้นหายแบบไปท่านได้หันหน้ามาถามยอโยมผู้หญิงที่ไปใส่บาทตอนเช้าแต่ท่านพูดเป็นภาษาอีสานคงจะฟังออกอยู่เนาะ ท่านบอกว่าไม่ออกพองูตัวนี้มันเลื่อยตัวนี้มันมาเถ็ดทำมาให้เนปูลฟังเห็นไหมเอื่อนคนมาปฏิบัติธรรมหูบอกเกีก่ยวแต่ยินบอกเนปูลหูซ้ขาขึน้น่อยพอเม็นหูเกี่ยวตาที่บาริญยินแล้วตาบาริญยินเนปาลสิบอกให้ฟังเหมืนมันมาเล่อไปอยากหนีโรค ก, กวง ทุกหง ย, ยในกองไฟย่าไปตามตันหาโมกรรมมาคุณหามาทำบิปัจจนาเห็นโหหาทางสิผลสูกเห็บเร็วยวเลียวาดพี่น้องมั่นศีษะคำทางให้เจ้าว่างคันหาอุปปมา่าให้เจ้านายเข้าของหลายมากล่นตนม่อยละเมิ่งไปบ่เห็นเราไปใดตายไปกระเสียเปล่าทุงโมจ เราคิดเบิงให้มั่นครับ ให้ไปจักในใจให้ฮัมห้อนดูบางให้พาทาั้งสิบไปนาหาทาั้งให้ผลโศกสมบัติในโลกนี้ให้ว่างถิมปล่อยสามันเป็นไฟแสงกาเผาอุราให้ว้ายวอดตลอดมดถุกสันขุนขาไัยพ้นมันเบลเ อ, อียย่งค้า ง, างตัดสดลาดจอมไตแม่นไผไผกระบหมี่เดือหรอดังเดียวกันนัน ดูคนด้นใดใจํำทํำปนปีทราพี่เล็วชามยามมินทันเนและคุณเลี้วลายกลายเป็นม่านส่างสุสารคุมนรกมกตนเองจำได้บ้จํจำได้หร้อจ ำ, จำนั่มไปประพติตฏิบ า, าตดากผู้ใดเป็นคนอิสานที่จำได้ยตี่าอป็นคนหนูดอน เดี๋ยวต้องให้เขาแปลให้ครับถ้ายากฟัง่งน่ถ้ายากฟังบ่อยๆให้พิมพ์เข้าไปในโทรศัพท์หรือพูดเป็นระบบใหม่ลุงปูประเสริฐสุริคุตูเทศวัตโสการามมันจะโผลขึ้นมาเลียงเียงอยู่ในโทรศัพท์มีทุกเครื่องในในยูท b e นะ ติมเขาไปเลยในติ๊ t ต k อกก็มีแต่มันไม่จบลูกศี์มันเอาไปลงในติก๊กต k อกแต่มันไปจบมันครึ่งเดียวเขาให้เรานาทีหรือครึ่งนาทีแค่นั้นนหะ <ใน S 1> มันมีติ๊กต็อกจะนึกข้อความประโยคนแหลแต่คราวนี้บางทีนี่ก็ไปเห็นครูบาอาจารย์บางองค์จะประจับมือจับไมให้เฉย แต่เสียงเป็นเสียงดงพอก็มีท่านไปจัดปฏิบัติธรรมอ่ะท่านเอาตัวนี้ไปไปเรียกเขาแต่คนอีสานไม่สนมากเขาฟังออกไหมโยมก็ฟังออกไหมล่ะกี่รอบแล้วฟังออกแต่แบบไม่ออกแบบไม่ออกเฮ้เป็นไย เอวเวทนาเป็นยังไงวันนี้เวทนาก็ตั้งแต่ตอนแรกที่หลวงปู่ให้นั่งคัดสมาธิเพชรก็เริ่มตั้งแต่นั้นมาแต่ว ก, ก็หลังๆก็ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นของหลงปวเสิมท่านเยงอ้วนทําอย่างทาได้นะหลงปวดสิมเนี่ยท่าอ้วนนี้ยิ่งลําบากมากถ้านั่งหยกโซฟาอย่างนั้นหลงปวดสิมท่านนั่งคัดสมาธิอยู่โซฟาแต่ท่านหับนั่งบ่อยๆมันก็เป็น บางทีถ้าท่านนั่งสมาธิเพชมั่งแต่ถ้ามันไม่ปวดถ้ามันปวดท่านก็มาขัดสมาธิเพศแต่ถ้ามไม่อยากให้ปวดก็นั่งย่อนขาย่อนเท้าลงนั่งธรรมดาบางทีก็นอนท่าเสยามันจะมีกิริยาบทหนึ่งนะตอนที่เราสูดลมหายใจเข้าไปออกมาเข้าไปออกมาตอนที่เรานอนท่าเสียา คราวนี้พอมันพอมันลึกลงไปมันวิ่งลงไปดิ่งลงไปมันไปถึงตรงที่มันรูเหมือนแขนเราจกรูเข้าไปมันสุดก้นดูก้นบึงนะเราค่อยๆตึงถอนออกมาถอนออกมาให้มันอยู่ระดับกลางอย่าให้มันถอนออกมาปลายรูให้มันอยู่ระดับกลาง มันจะวิ่งเขาเบาเดิมมันคือตัวนี้คือเป็นดวงจงิตกลมๆมันจะวิ่งเขาเบาเดิมมันจะขัดของมันแล้วก็ดูมันอยู่นั้นตัวนี้คือดวงจิตตัวนี้นี่ย เราถูกกิเลสราคะโทสะโมหะห่มห่อเป็นตะไคร้ห่มห่อไปมันไม่สามารถจะมองเห็นไม่ไม่ไม่สามารถจะแผดแสงให้เราเห็นนะแต่เราถูกขัดทุกวันทุกวันมันก็เริ่มใสพอมันจะเริ่มใสเราก็ดูอยู่จุดนั้นงั้นตัวนั้นเขาเรียกว่าเข้าชาญ พูดภาษาบาลีเขาเรียกว่าเขาชานมันจะขัดของมันไม่นานก็จะใส่เทตะนิดเทละนิดถ้าเราขัดทุกวันเราทําทุกวันตั้งไปชั่วโมงหนึ่งมันก็อยู่ชั่วโมงหนึ่งตอนที่เรานอนตะแขงพอถัดจากนั้นมาเนี่พอมันหมุนอยู่นั่นพอกายเราได้ชั่วโมงกายแล้วจะนอนงายบุคคลติวดาที่เขาเศ้าเขาจะ ชาดอกไปเขาจะกาบแต้เรหายแวบไปเรหายแวบไปเราสะดุ้งขึ้นมามาดูนาฬิกาตรงเพศเห็นไนะตัวนั้นเนี่ยคือนาฬิกาเป็นดวงจิตด้วยจีตเดิมดั้งเดิมของเราเนี่ยมันเป็นประพัดสอนมันสว่างสวัยอยู่นะแต่เราไม่ได้ขัดกิเลสราคาโทสโมหะมโหหมหอเป็นตะไขร่นะ้ํามโหหมหอมันได้มองไม่เห็นมันได้พาพปิดบังความมืด ตันนี้ต้องพยายามทำ<า>มจบแค่นี้ครงนี้ไปขอการถวายกไายแล้วก็จกัดปัจใจไทยธรรมที่ผู้มาร่วมบุญได้ร่วมทำบุญกันมานะครับ ขอให้เงินแลคำดูเรื่องมาหอดขอให้ภูคาได้ก่อนบุญก่อนท่านพุงโบมานยาไหลมาาของพุงพีนง่น่องบงสาพุงเอาอาและพอแม่พุงเถกแกเรตาย่ายพุงโมตายไปแล้วไปหอดไปถึงทุกองทุกตนปั จ, จโยโหตดูใจดูใคยได้เย็นไหม เคยได้เคยได้ยินไหมไม่ได้ยินไม่บแ้ไม่ได้ยินกว่างอยากเอารอบหนึ่งได้ไหมข้าพะเจ้าขอหยาดน้ำข้าพระเจ้าขออาดน้าจงขอหยาดน้ำล่องเือนแผ่นพรเมรธรณีขอให้พระเมรุธรณีจงมาช่วยสัาพญานาคอยู่ในน้าจงมาช่วยสู้สัตว์ตัวสั่นตัวดีตัวพี่ด้ตัวพร้อมตัวหอมในตัวเหม็นตัวเป็นในตัวตาย นี่มรรคตั้งไวเป็นแดนสามแสนสี่มื่นผู้เข่ากาเกิดอยู่กลางเมืองขอให้เงินแด้ค้ำดุงเรื่องมาหอดขอให้ผู้คาได้ก้อนบุญก้อนท่านพงโมงมานยาได้ม่เกี่ยวของพงพี่นอ้องวงสาพงเหล่าอาแด้พอแม่พงเถ่าแก่ได้ตายง่ายพงมูตายไปแล้วขอให้ไปหอดไปถึงทุกองทุตนปั จ, จโยโหตุ